ได้เข้ากราบถวายตัวเป็นสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเถระรองเจ้าวาดและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาธุระวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเถระองค์นี้ท่านเป็นสัตธิวิหาริกและอันเตวาสิกในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำโดยตรงหมายความว่า เป็นผู้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้บวชให้และอยู่ปฏิบัติธรรมรับถ่ายทอดวิชาธรรมกายจากท่านหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้รับการถ่ายทอดจากหลวงพ่อพระภาวนาโกสลเทระตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513เป็นต้นมา เมื่อหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้ศึกษาปฏิบัติธรรมวิชาธรรมกายมากขึ้นก็ยิ่งพบยิ่งรู้ยิ่งเห็นในอนุภาพของธรรมกายที่จะช่วยทั้งการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขมากยิ่งขึ้นจึงได้ร่วมกับทางวัดปากน้ำภาษีเจริญจะตั้งโครงการธรรมะปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518 โดยมีเจ้าพะคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมเทยราชมหามุนีเป็นประธานมีกิจกรรมส่วนใหญ่จะมุ่งเผยแพร่ธรรมะทางสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกว่า30สถานีในขณะเดียวกันท่านได้เห็นความสำคัญของการสร้างพระวิปัสนาจารย์เพื่อเผยแพร่วิชาธรรมกาย ซึ่งได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ในสมัยที่ดำรงสมาศักิ์เป็นที่พระพมกุณาพรให้ก่อตั้งโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตราชวรมหาวิหารในปีพุทธศักราช2524โครงการที่กล่าวถึ ง, ท, งทั้งสองโครงการนี้ เป็นจุดกำเนิดของสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามในปัจจุบันชีวิตของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสแห่งตนและนำผลที่ได้จากการปฏิบัติธรรม เผยแพร่ตามเจตนารมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาสีเจริญผลแห่งการปฏิบัติธรรมได้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชีวิตครอบครัวของท่านตลอดจนชีวิตการงานได้พบกับความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในขณะเดียวกันท่านก็ได้เตรียมตัวที่จะบรรพชาอุปสมบทมานานนับสิบปี ก่อนที่จะเกษียณอายุเพื่อจะได้เป็นพระทั้งภายนอกและพระทั้งภายในโดยสมบูรณ์และทำหน้าที่เป็นทนายต่างพระศาสนาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อท่านอายุได้57ปี ทางรัฐบาลอเมริกันได้มีระเบียบที่จะให้พนักงานได้กเกษียณก่อนอายุ60ปีจึงเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้รับใช้พระพุทธศาสนาท่านได้ตัดสินใจลาออกในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการวิจัยและบวชเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราชส5 2 9น้าาำความปราบปื้มปิติมาสู่ครอบครัว ญาติมิตรและสิทธยานุสิ์โดยทั่วกันหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้เข้าบรระชาอุปสมบทนับพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญเมื่อวันที่6มีนาคม 2,529 นา โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโสดาจารย์เจ้ า, าวาดวัดสามพรยาเจ้าคณะใหญ่หนุนกลางเป็นอุปชามีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สมัยดํารงสมณศักดิ์เป็นที่พระพมคุณาภรเจ้าอาวาดวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารเป็นพระกรรมาวาจาจารย์และเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมัยดํารงสมณศักดิ์เป็นที่ พระธรรมเทีราชมหามุนีเจ้าวาดวัดปากน้ำพาสิเจริญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าชยมังคโลนับแต่นั้นไปต้นมาพระนวกชยมังคโลก็ได้ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรม และเผยแพร่อย่างเต็มความสามารถโดยไม่ได้ทอแท้แม้แต่น้อยทำให้เกิดประโยชน์คุณาประการแด่วงการพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาที่น่ายกย่องพอสรุปได้คือ 1. ด้านการปฏิบัติธรรมท่านในฐานะผู้อำนวยการมูลนิธิและสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายได้เห็นความสำคัญของการจัดการอบรมพระกรรมฐานเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์พระวิทยากรให้เป็นหลักในการถ่ายทอดและสืบต่อวิชาธรรมกายทั้งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทโดยจัดการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่หนึ่ง เมื่อต้นปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่36มีพระสงฆ์สามเณรผ่านการอบรมกว่า 10,000 รูปและได้เกิดโครงการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการธรรมกายเคลื่อนที่ในภาคต่างๆโครงการสำนักปฏิบัติธรรมตา ม, ตามแนววิชาธรรมกายในต่างจังหวัดนอกจากนี้ ยังมีการอบรมนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการประชาชนเป็นประจำทุกเดือนสองด้านการศึกษาปริยัตหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาปริยัต ไม่ยิ่งย่อนกว่าด้านการปฏิบัติด้วยเหตุผลว่าการเรียนรู้ภาคทฤษฎีทั้งหลักธรรมและพระวินัยให้แตกฉานเทียบเคียงกับการปฏิบัติสามารถนำหลักคำสอนไปเผยแพร่และเข้าใจได้ลึกซึ้งทั้งสองด้านท่านได้กระทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้เป็นประจักษ์ว่าแม้ท่านจะเริ่มเรียนในวัยร่วม60สปีแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อ หรือด้อยกว่าพร ะ, พ, ระพิสุสงฆ์สามเณรที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาท่านกรับคอยเป็นกำลังใจให้พระพิสุสงฆ์สามเณรอยู่เสมอในการที่จะบากบั่นศึกษาเล่าเรียนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมตามมาท่านได้สอบผ่านนักธรรมและบาลีโดยลําดับ จนได้ป ร, ริยนธรรมหกประโยคในปีพุทธศักราช2537นับว่าหาตัวอย่างได้ยากในกลุ่มพระวิปัสสนาจารย์ที่มีความมุมานะศึกษาได้ถึงขั้นนี้ท่านได้ก่อตั้ง สำนักศาสนาศึกษาขึ้นภายในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายยารามปัจจุบันสำนักศาสนาศึกษาแห่งนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักเปลียนปริยะติธรรมประจำอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อให้พระพิสุสงฆ์สามเณรได้ศึกษาหาความรู้กันอย่างเต็มความสามารถตัวท่านเองก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นครูสอนปริยะติธรรม และเป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมสนามหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมา 3. ต้านการก่อสร้างวัดและสถานที่สัปปายะสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นประธาน ได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งตั้งเป็นวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามตามความจําเป็นของการสร้างวัดก็เพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระพิสุสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามมีอุโบสถที่นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุตลอดจนหินรัตนาชาติและกายสิทธิ์ที่ หาค่าประมาณไม่ได้แล้วยังเป็นสถานที่สำหรับกราบไหว้บูชาและเจริญภาวนาแก่พุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ในส่วนประติมา ก, กรรมของอุโบสถซึ่งเป็นลวดลายไทยรวมทั้งวิหารแกรบและสารารายมีความวิจิตรงดงามยิ่งโดยเฉพาะอุโบสถได้รับรางวัล อนุรักษ์สถาปัตยกรรมไทยดีเด่นในปีพุทธศักราช2539อุโบสถนี้ได้ใช้เป็นสถานที่อุปสมบทโดยหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปชาเมื่อปีพุทธศักราช2539เป็นต้นมา ด้านการปกครองและการจัดระเบียบภายในวัดหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยเป็นผู้ที่เคยผ่านงานทางโลกมามากย่อมพบเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของการปกครองและการบริหารงานมามากท่านจึงได้นำความรู้และประสบการณ์หลักการบริหารมาใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในวัดโดยมีการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของพระภิกษุสงฆ์สามเณร เพื่อให้เป็นไปตามหลักพระธรรมพระวินัยรวมทั้งการจัดทรัพย์สินและปัจจัยเอกลากเพื่อให้สงฆ์ได้ใช้ร่วมกันผลของความสำเร็จนี้ท่านได้เผยแพร่ในหนังสือหลักการบริหารวัดให้แก่วัดอื่นๆได้ใช้ประโยชน์ด้วยท่านจึงได้รับอาราธนาให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ แด่พระสังฆาธิการในเขตภาค15เกี่ยวกับการบริหารวัดและการจัดทำโครงการ 5. ด้านการจัดทำตำราวิชาการและการเผยแพร่ธรรมะหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยนอกจากจะเป็นผู้ศึกษาและสอนการปฏิบัติธรรมแล้ว ทางด้านการเขียนตำรับตำราและการรวบรวมเอกสารทางวิชาการด้านธรรมะท่านก็ได้ศึกษาคนา้นคว้าและจัดทำตำราไว้มากมายอาทิเช่นนิพพานสาในอริย ส, สัจส์4ตอบปัญหาธรรมะหนังสือมรคนิพพานรวมทั้งนิตยสารธรรมกายที่ออกเป็นประจำรายสามเดือนในส่วนตำราภาษาอังกฤษท่านได้เขียน the heart of thammagaya สำหรับชาวต่างประเทศเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีรายการเผยแพร่ธรรมะทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมททุกวันพุทธที่สองของเดือนตั้งแต่เวลา8เนกาถึง9เนกาในส่วนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนตั้งแต่เวลา8เนกาถึง8นกา30นาทีงานการเผยแร่ธรรมะ ของท่านเป็นประจักษ์พยานจนได้รับรางวัลดีเด่นด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาภายในประเทศเป็นรางวัลเสยมาธรรมจักรเมื่อปีพุทธศัการาช2536 6. ด้านสังคมหลวงพ่อพระมหาเสริมชัย เห็นความสําคัญของเด็กเยาวชนผู้กําลังศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ท่านจึงได้จัดหาปัจจัยส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงตลอดจนทุนการศึกษาแก่ประสงค์ในระดับอุดมศึกษาเป็นการตอบแทนสังคมและสร้างสังคมสําหรับผู้มีความสามารถและประพฤติดีได้มีโอกาสศึกษาเท่าเทียมกันในส่วนของญาติโยม ผู้ช่วยเหลืออุปถัมภ์วัดเสมอมาเมื่ อ, อยามีความทุกข์เดือดร้อนเมื่อท่านได้ทราบท่านจะได้แนะนำหลักการปฏิบัติและที่สำคัญท่านจะคอยเอาใจช่วยด้วยเมตตาธรรมซึ่งผู้รับทราบทราบดีว่ามันจะมีผลมากเพียงใด วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัทแล้วยังเป็นสถานที่อยู่อาศัยของพระพิสุสงฆ์สามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนอีกด้วยทั้งวัดยังได้ปลูกต้นไม้หายากในพุทธประวัติไม้ในวรรณคดีซึ่งเป็นสถานที่อยู่ทุดงและเป็นที่ศึกษาพันไม้ที่ได้รับคัดเลือกและจดทะเบียนเป็นอุทยานการศึกษา เมื่อปีพุทธศักราช2538ได้รับรางวัลชนะเลิศการปลูกป่าประเภทศาสนาสถานของกรมป่าไม้เมื่อปีพุทธศักราช2539ความเจริญเติบโตของทางวัดมีได้มุ่งเน้นทางด้านวัตถุมากนะักแต่กลับเห็นความสำคัญของการพัฒนาธรรมะของพระพิสุสงสามเนรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาความเจริญเติบโตของทางวัดส่วนใหญ่ จึงเป็นผลงานด้านการอบรมธรรมปฏิบัติที่เพิ่มมากขึ้นและการศึกษาภาคปริยัตและปฏิบัติของพระพิสุสองสามเณรที่เพิ่มขึ้นหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้จัดตั้งทุนพัฒนาหารกีฬานเพสัตและทุนการศึกษาของพระเพื่อสามารถจะนําดอกผลของกองทุนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในด้านพัตนาหารยารักษาโรค ตลอดจนการศึกษาของพระอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะไม่ต้องเป็นภาระแก่ญาติโยมมากนักสำหรับผู้ที่มีกำลังก็สามารถที่จะตั้งทุนเพื่อนาดอกผลมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคตด้วยการบำเพ็ญคุณความดี และประโยชน์นานับประการที่ไม่สามารถจะกล่าวสาทยายได้หมดสิ้นในช่วงเวลาอันจำกัดคุณความดีของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยจึงได้ปรากฏโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคนะสามัญเป็นที่พระภาวนาวิสุทธิคุณเมื่อวันที่หธันวาคม พุทธศักราช2541จากสมณศักดิ์ที่ได้รับนี้ย่อมนำความปิติยินดีแก่ศิษยานุศิษย์ญาติมิตรพระพิสุสงฆ์สามเณรภายในวัดพระเถรานุเถระที่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยหรือพระภาวนา ว, วิสุทธิคุณเคารพเทิดทูนบูชาตลอดจนอุปชาอาจารย์ของท่านแต่ภาระหน้าที่ของท่าน คงไม่หยุดเพียงเท่านี้ท่านจะต้องตระหนักในหน้าที่และปฏิบัติงานรับใช้พระาศาสนามากยิ่งขึ้นให้สมกับความไว้วางใจของพระเถรานุเถระที่มีต่อท่านการสืบทอดวิชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำตามปณิธานของท่านที่ได้ตั้งใจไว้นับแต่วันแรกที่บวชและถวายตัวมอบชีวิต ให้เป็นทนายต่างพระพุทธศาสนาดังคำบาลีที่ว่าโยฮาเวทหาโรพิก oh ah ุยุนชติพุทธศาสนโสมังโลกังประพาเสติอัภามุตโตวจันทิมา แปลความว่าแม้เป็นเพียงพิสุน้อยหากอุทิศตนแก่พระพุทธศาสนาย่อมอาจส่องโลกนี้ให้สว่างได้ดุดดวงจันทร์ที่ปราศจากเมฆบทบัง สาธุชนก็ได้รับฟังชีวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมังคลจบลงไปแล้วโดยการนำเสนอของอยานรัตนะซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์คนหนึ่งในพระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้เขียนชีวประวัตินั้นขึ้นมาเพื่อที่จะให้สาธุชนได้รับทราบเนื่องในโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านได้ รับพระา ร, ระชาชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระภาวนาวิสุทธิคุณในโอกาสนี้ทางคณะสิทธิ์หรือสิทธิยานุสิทธิจึงนำสาระธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับด้วยบุคคลหรือที่เรียกว่าบุคคลกับธรรมะมาฝากท่านสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการและต่อจากนี้ไปก็จะเป็น องปาตกถาหรือองค์ธรรมบรรยายประจํารายการธรรมสู่สันติก็คงจะใช้พระราชินานามที่พระภาวนาวิสุทธิคุณจึงเจริญพรมาอย่างสาธุชนผู้กําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติอยู่ว่าบางทีอาจจะได้ยินชื่อพระภาวนาวิสุทธิคุณอาจจะไม่คุ้นหูแต่ให้ทราบไว้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลโรนั้นได้รับแต่งตั้ง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชาทนานามว่าพระภาวนาวิสุทธิคุณซึ่งต่อไปก็จะเป็นองค์ปาตกถาหรือองค์ธรรมบรรยายประจํารายการธรรมะสู่สันติต่อไปซึ่งจะทําหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาทั้งหลักปริยัติวิธีการปฏิบัติรวมทั้งผลของการปฏิบัติสู่ท่านสาธุชนเป็นประจําสําหรับวันนี้ รายการธรรมะสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทิอนเจริญพร